ในช่วงคุยธรรมะกันในวันนี้อาตมาพระไพบูลย์ แต่ที่ต้องมีการป้องกันการๆในการสั่งสมเสบียงการสั่งสมยุทโธปกรณ์ในที่นี้คือๆมาก นะค่อยๆเก็บภาษีนะค่อยๆสะสมไปซื้ออาวุธจัดธรรมอาวุธต่างๆมันก็ไม่ได้เสร็จวันเดียวเหมือน นะป้อปาลอหลิงสระอูกไก่ในการปลูกๆถ้าเป็นแต่เป็นใน ทำการปลูกทำการประกอบประงมเนี่ยมันก็ต้องมีการ น่ะผ่านความหมดกําลังใจผ่านพ้นในสิ่งที่มันจะทําให้เรามืด เพราะเราไม่สงสัยไม่ลังเลแล้วเราจะทําเราจะปฏิบัติทําว่าคุณจะมาทําความไม่สงสัยไม่ลังเลทําความมั่นใจความศรัทธาให้เกิดขึ้นได้ตรง อ่ะแม้ผู้ปั๊บมีเลยเห็นพระองค์นี้สิ่งๆนี้เราไม่ได้มีความมั่นใจเลยแต่เมื่อเราไปได้ หลักธรรมในที่นี้ก็คือว่าเอ๊ะสมมุติถ้าเรามีปัญญานําศรัทธาไม่มีศรัทธานี่คือการที่แม้ และเหตุอย่างนี้อย่างนี้เนี่ยคือสิ่ง เอาอย่างอย่างเช่นเรื่องของรู้เราเคยเข้าใจเราเคยฟังมาก่อนแล้วนะเวสสันดรเป็นยังไงเป็นผู้ทําทานบารมีอุกฤษมากขนาดให้ลูกให้เมียอะไรต่างๆ แต่ชื่อว่าเวสสันดรเนี่ยเพราะว่า 9 ขวบนี่แหละนั่งอยู่ เราจะให้เนี่ยเราจะๆเราจะให้เราจะให้มันมีความคิดความดําริอย่าง เป็นเมืองที่เวสสันดรเนี่ยเป็นกษัตริย์อยู่เนี่ยก็มีสมบัติวิเศษอยู่อย่างหนึ่งเรียกว่าอยเป 7 อย่าง 4 งา 2 ลิงงวงแล้วก็ ไปตรวจเมืองอะไรต่างๆเนี่ยนะก็มีพวกพราหมณ์นํามาจากแคว้นกาลิงนําพวกพราหมณ์มาจากไงหมดที่เพิ่งแล้วนํามา ไอ้สันดานเนี่ยโอ้ได้ยินเค้ามาขอยาจกมาขอถึงที่แทนที่ว่าจะโกรธว่าอื้อหือแม้ขออะไร ความตระหนี่มันเสียดแทงขึ้นในอกเลยนะไม่ให้หรอกยัง โอ้ยของคู่บ้านคู่เมืองใครมาขอเอาคงไม่ให้หรอกเนี่ย ความพร่องในจิตใจเราจะทํายังไงเพื่อให้ความให้ ด้วยใจมีความโกรธยังว่างอยู่ให้เต็มใจคุณยังมีสิ่งที่มันยังขาดอยู่เราถ้ามันยังมีความโคตมีความ หฤทัยมุ่งฝังเลยในสมัยนั้นน่ะชาวเมืองศรีพีนี่โกรธมากนะให้ช้างไม่ได้ไง ไปอยู่นู่นเกว่งเพราะฉะนั้นเนี่ยเอ่อพฤษัตที่เป็นเวสสันดรเนี่ยก็เลยขอร้องกับชาวเมืองศรีปีน่ะ ถูกจับเพราะว่าให้ทานยังจะให้ทานอีกใน ยังไม่เต็มอะไรที่ยังไม่เต็มขึ้นโพธิญาณเนี่ยที่ยังๆนี่ท่านฟังมันเป็นเครื่องบ่มจิตใจ แล้วของมันยังไม่สุกอะเดี๋ยวมันก็ต้องมันก็ต้องเนี่ยจึงต้องมีการบ่มให้สุกๆนี่ก็เพื่อบ่ม จิตใจของเราถ้าผ่านกันบ่มด้วยทานบ่มด้วยศีลบ่มด้วยการภาวนาเราจะสุขได้จะเต็มได้จะดีได้จะเป็น ทีนี้แม้เค้าตายไปก็ได้แต่ไม่ทําแต่รักษาศีล ปรารถนาในสิ่งที่ตนรักจึงให้ของที่รักไป บ่มอย่างนี้ใจของเราจะเต็มขึ้นมาได้บ่มอย่างนี้ใจของเราจะเป็นใจ